คือกลัวบาปไม่ว่าอยู่ในสถานที่ใดจะทำจะพูดจะคิดไปในทางชั่วทางเสียเรี่องภาษาพระภาษาวัดเรียกว่าบาปกลัวในจิตในใจเร่งบาปกลัวบาปละอายบาปไม่อยากจะทำเพราะทำไปแล้วมันจะให้ผลแก็ตนข้องตนเลกละความชั่วประกอบกรรมดี ให้มีขึ้นในตัวเื่อเราที่เจรานาอย่างนี้เชื่อเรื่องข้องกรรมถึงใจแล้วเราจะเลือกคาดจัดหาทำกรรมดีให้เกิดมีแฉกกายบายจายใจข้องตัวถ้าเราไม่คิที่ทยานาอย่างนี้เราก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงอยากทำอะไรก็ทำไปตามอำเภอใจไม่ทราบว่าดีชัว่วอย่างไรจะให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ ไม่ได้คำนึงคำนวณขอแต่ให้มันชอบมันอยากทำทำไปมันเป็นไปทำนองนั้นท่านจึงสอนให้เชื่อเรื่องของกรรมแต่เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้่ให้ผลสุขทุกจะเกิดขึ้นก่ออาศัยผลของกรรมไม่ใช่ว่าคนทุกคนไ่ปราถนาดี ปรารถนาดีกันทุกคนแต่ทําไมจึงยากจนอดอยากลําบากลําคาญโรภคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเขาเขาอยากเป็นโรภคภัยไข้เจ็บไหมเขาอยากอดอยากอยากจนไหมไม่มีใครไปถามเขาก็เขาจะต้องสอบว่าอยากจะ่มั่งมีศีสุขอยากจะหาจะโรภคภัยไข้เจ็บทานั้นจะเหตุะไรใหญ่เล่าเขาจึงเป็นอย่างนั้น เพราะกรรมเก่าที่เขาสะสมเอาไว้ให้ผลเขาจึงไลยทนทุกข์เรื่อยไปเพราะกรรมยังไม่หมดไม่สิ้นจากใจของเขาเขาจะต้องเลยรับผลถึงเจนพระอรหันตอรหันต์สินอาสวะกิเลสภายในกรรมเก่าที่สานสางเอาไว้ให้ผลก็ยังโดน ทุกโดนโทษอย่างาพระโมกขลามีจนผล่าตีจนแหลกจนตายภาษาของเราหึืพระพาหิยะก็เป็นพาาาระอรหันต์เกี่ยวไปสแสวงหาบริฐารมาบวชกดถูกวัวผิดตายน่ตายหงายตายหายัางมีเป็นธรรมดาเพราะกรรมเก่าที่สร้างมาให้ผล กรรมจึงเป็นสี่งีกเลียงไม่ได้ถ้ายังมีกายอยู่นอกจากกรรมนั้นจะไล่ามาไม่ทันเราสร้างเอาไว้เราตายไปก่อนเสียก็เลยเป็นอโหสิกรรมพราะใจบริสุทธิ์แล้วกรรมจะติดตามไปเหตุผลเปนอีกไม่ได้พบชาติที่เราจะก่อเกิดไม่มีนี่คือจิตที่บริสุทธิ์เมื่อเราจะไม่บริสุทธิ์อย่างนั้น ยังมีกิเลสตัณหามาณทิฐิในใจจะต้องท่องเที่ยวเรียนายวตายเกิดเราจะต้องทิ่นพิ่แจนาละกรรมชั่วต่างกรรมดีให้มีใ น, ในใจิตในใจของตัวเพราะกรรมดีนั้นให้ผลปัจจุบันก็ให้ผลตนของตนมีความสุขทำไปแล้วคิดแ่าผู้รู้ทั่วไปเขาจะไม่จำานิไม่นินทา เราทำลงไปด้ยวยความร <c oughs> อบครอบด้ยวยสติด้ยวยปัญญาไม่ใช่เราทำลงไปด้ยวยความโง่เหงาเต่าตุ่นของเราเราได้พิจารณาแล้วเราจึงทำลงไปไม่ว่าทำอะไรพูดอะไรเราจะเน้นตำหนิตัวของเราว่าทําไมจะทําอย่างนั้นพูดแบบนั้นโดยขาดสติปัญญาขาดการยับยัง้งสั่งตัวขาดการที่พิจารณา เราไม่ตำหนิตัวของเราพอเราทำหรือความรอบผอบของเราตัวของเราก็ไม่มีที่ตำหนิคนอื่นเขาก็ไม่มีที่ตำหนิเว้นแต่คนพามเต็มที่มันไม่ทราบอะไรดีชั่วเหมือนกับหมาไม่ว่าพระว่าเน้นบ่าโจนว่ามาันก็เห่าเรื่อยไปไอ้ปากแบบนั้นเราจะถือเป็นสติมีนิสเนได้ไม่เนี่พอใจอะไรมันก็เห่า เลื่อยไปว่าเลื่อยไปแต่ความดีของเราที่สั่งมาจะททำมาเราทำมาในทางดีตัวขวงเราก็ทราบว่าเราสั่งความดีคนอื่นที่เขามีจิตใจสูงเขาก็สละเสริญในความดีที่เราสั่งมาถึงเขาไม่สรลเสริญความดีมีอยู่ในใจเขาจะว่าอะไรเราก็ไม่เก็บแส เพความดีมันมีอยู่ถ้าหากรอบครอบทางสติปัญญาเหมือนกันเกับเข า, เขาว่าเราทุกยากอ้วนยากอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะไรแต่เราก็าัวสะาบดีเราบ่านช่อง ข, ของเรามีเข่าของพเรามีเงินทองของเรามีคนทิ่เข้ามาว่าเขาไม่รู้เขาไม่ถอยใจว่าเรามีอะไรเขาโกหกไปตามเรื่องของเขาเราจะไปเปียนไปตามเราปากของเขามันเป็นไปไม่ได้ หากเรามีสติปัญญาพอชิดจะตยังจิตนึกคิดไม่โกรธกับเขาได้มีการพิจารณาเรื่องของกรรมคือกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลให้ผลเจเรามาทุกคนน่คนที่มีความสุขความสบายมีหน้าตาสวยสดงดงาม ก็เพราะกรรมดีที่เขาสร้างเอาไว้มีหน้าตาเป็นยักษเป็นมานไม่สวยสดงดงามอะไรใครเห็นก็เลยปารถนาก็เพราะเขาสร้างกรรมชั่วเอาไว้อดยาขยาจนก็เพราะเขาสร้างกรรมชั่วเอาไว้เขาลารวยก็เพราะเขาสร้างกรรมดีเอาไว้ถึงมนุษย์เกิดมาจะไม่เหมือนเทวบุตรเทวดาไม่ได้กินของชิ้นปารธนาอะไร ไม่ไหลมาไม่ต้องแสวงหาพอเป็นเทวาดาอาศัยบุญกรรมที่ทําแต่เกา่าก่อนส่งผลให้ก็ตัง้งเกิดมาเป็นมนุษย์คนทุกคนกับป่าถนาอยากจะมีเข้าของเงินทองอยากจะมีความสุขความเจริญด้วยกันแต่อํำนาจบุญกรรมของมนุษย์กับเทวาดานะนั้นไม่เหมือนกันที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว กรรมดีของเขาก็ส่งผลให้คือด่านกใจของเขาก็ไม่มีคอยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเรื่องด่านใจของเขาก็มีสติมีปัญญาสามารถที่จะทําการงานแสวงหาเข้าขอเงินทองได้ง่ายได้สะดวกสบายคนที่กรรมชั่วให้ผลหรอเกิดมาไหลทรัพย์อับปัญญา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 เราเวียนว่ายตายเกิดในวัดสังสงสารไปเกิดสถานที่ใดก็มีความสุขในภพในชาตินั้นตามสมควรที่กรรมจะเหตุผลเรามีกรรมเป็นของตอนมีกรรมไป็นัวให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดไม่ใช่ว่าเราอยากจะเกิดที่ไหนได้เกิดได้สะดวกสบายกรรมเท่านั้นจะแดงฟันให้ได้เกิด เกิดในสถานที่ดีคติที่ชอบข้ อ, ขอพ่อกรรมดีของเขาส่งผลแปให้จึงได้เกิดได้เกิดในที่เชื่อที่ใน <c oughs> สะดวกสบายกว่าทํา น, นองเดียวกันฉะนั้นกรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราควรจะนํามาที่นี้พิจารณาแนสอนใจของเราไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นเรื่อง การทําการฝูกการคิดเป็นของสําคัญไม่เชื่อเรื่องข้องกรรมทําไปแล้วไม่เห็นผลอะไรเกิดขึ้นให้โดยส่วนใหญ่คนที่ในคิดถึงเรื่องข้องกรรมนี้ไม่เชื่อเรื่องข้องกรรมไม่เชื่อว่าตายแล้วจะได้เกิดอีกตายแล้วสูญไปหรือเคยเกิดเป็นอย่างไรจะเกิดอย่างนั้นมันมีมาแต่งแต่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 พันเรียกว่าอุตเสสทิฏฐิคือปฏิเสธเรื่องถั่วไปทางมันเป็นในใจอย่างนั้นโลกอันนี้ไม่มีความสุขความเจริญมันอยากทำอะไรก็ทำไปเพราะตายแล้วฝูนย์ไม่มีการเกิดถ้ามันคิดอย่างนั้นมันก็ข่าก็ฟันก็ทาไปทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ละอายใครไม่กลัวเรื่องข้องกรรม กลัแต่กฎหมายเจ้านายจะจับกุมเท่านั้นลับตามันทําไปได้หรือเจ้านายจับกลุมหรือเขาขาตายมันงโกคิดว่าโลกหน้าไม่มีตายแล้วสูญไปมันคิดอย่างนั้นมันจึงกล้าทําทุกสิ่งทุกอย่างเรื่อยไปหรือเชื่อมั่นว่าตายเป็นอะไรก็จะไปเกิดเป็นอันนั้นมันก็กล้าทําอีกเหมือนกันชั่อเสียขนาดไหนมันไม่เกรงใจ เพราะมันเชื่อมันในจิตในใจของมันอย่างนั้นมันไม่เป็นไป ต, ตามความเชื่อของตัวถ้ามันเป็นใจ ต, ตามความเชื่อของตัวมันก็ไม่มีใครที่จะได้รับทุกโทษลำมากอยากเย็นจะทำชั่วผลชั่วหม่ผลทำดีผลดีหม่หยผลอยากทำอะไร ทำเรืยไปโลกแตกอยู่ในวัดในวาจะขาจะแกงกันเมื่ อ, อไรจะทําอะไรก็ทําไปอยู่ในโลกก็ทํานองเดียวกันไม่เคารพเชื่อมัน่นในอดในธรรมธาิุฐิแรงกล้าลงไปแบบนั้นพระพุทธเจ้าทันว่าเป็นมิจฉาทิฐิเป็นโทษหนักสาหรับคนที่เห็นแบบนั้นไม่มีวันคืนที่จะสว่างสวยที่จะประสบ ความสุขของใจมีแต่มืมดบอดเลื่อยไปพระพุทธเจ้าจะมาแนะสอนเหมือนองค์แสนองค์มันก็ไม่เข้าไปถึงจิตถึงใจของมันถ้าจิตใจมืดหนาะขนาดนั้นแล้วพระพุทธเ จ, จ้าท่านตัดสภาพไม่แนะนำนีใจของพวกเราท่านเป็นอย่างไรขอพิจารณาเผื่อสำลักใจคงตัวความจริงมีความจริงไปไม่ได้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 ใครก็ห้ามเพามันร้อนนะเขาไม่เชื่อไปจับเข่ามันก็ร้อนเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นนแผงมันเย็นนะไม่เชื่อไปจับเข้ามันก็เย็นเพราะธรรมชาติมันเย็นมันเย็นอยู่เราสมมติว่ามันเย็นมันก็เย็นคนผิดไม่รู้หรือคนรู้มันก็ทํานองเดียวกันเชื่อดีก็ทานองเดียวกันคนทําไปจะไม่เชื่อหรือจะเชื่อก็ตาม ดียังเป็นดีอยู่ตลอดเวลาเชื่อยังเป็นเชื่ออยู่ตลอดเวลาไม่เป็นไป ต, ตามความไม่เชื่อหรือไม่หรืเชือ่อของคนของจริงเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นี่คือการที้แจาเฉยแจขไขจิตใจของตัวเชื่อว่าพระพุทธเจ้าผ่านเป็นผู้บริสุทธิ์ผ่านมีพา ย, ยานเด่นชัดเนี้ยสอนสัตว์เพื่อทางดี สิงที่ช่วที่เสียทันสัตห้ามไม่ให้ทำให้ปวดให้คิดแต่เราไม่เชื่อคาสอนของพอพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถือว่าเราดีดีเสีเราก็ไม่มีทางที่จะละชั่วบมเพ็ญดีได้อยากทำอะไรก็ทำไปตามอำเภอใจเกี่ยวกับคนตายแล้วทางหากมันมาเกิดใหม่ต้องก็ับมาพูดให้เราฟังว่าชาิก่อนมันเกิด อยู่นั่นอยู่นี้มันมีสมบัติของของอย่างนั้นอย่างนี้คนเท่าจะต้องเกิดมาเป็นคนเท่าเด็กตายก็จะเกิดมาเป็นเด็ก <c oughs> นีใครตายที่ไหนก็ไม่เห็นใครมาเล่าให้ฟังว่ะแต่ก่อนเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ตายไปแล้วเลยรับทุกโทษในนรกอย่างนั้นอย่างนี้เดยไปสวยความดีในสวรรค์อย่างนั้นอย่าง น, า น, าง น, น, างนี้เพราะไม่มีคน ม, มาเล่าให้ฟังเราจึงไม่เชื่อ มันอาจจะคิดจะปรุงไปแบบนั้นคนที่ไม่เชื่อมันในเรื่องของกรมแต่คนเราสัญญาอนิีจ้ะมันจําไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วทั้งทั้งที่เราทําอยู่เห็นอยู่รู้อยู่แต่มันก็ลืมเรามานั่งอยู่นี่หายใจอยู่ตลอดเวลาเราหายใจกี่ครั้งถามเตรงนี้มันก็ปิดทั้งทังที่เราหายใจอยู่วันนี้ได้พูดอะไรบ้างได้ไปที่ไหนคิดอะไร วันนี้วันซืนี้เราได้พูดกับใครได้ทานอะไรเดือนก่อนนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้มันก็หลงท่านที่ยังไม่ตายนะมันก็หลงอยู่อย่างน้นลืมอย่างนั้ น, อ น, นพอสัญญาอนิจจามีชาติทั้งชาติที่ตายไปมาเกิดใหม่จะให้มันเล่าอะไรให้ฟังได้พอมันนานแสนนา น, านผ่านมามันจึงจําไม่ได้แต่ความเวียนยใหม่ใจเกิดมันเวียนแหวยใหม่ใจเกิดปุถที่นี้ <c oughs> ญานภายใ น, นใผู้ที่มีใจผ่องใสท่านทราบพบชาติที่เคยเกิดเคยตายของท่านเคยเกิดที่ไหนเคยตายอย่างไรเดืกโรคภัยอะไร ท, ท, ท่านทราบท่านจึงมาสอนให้ว่าการที่เกิดดีเกิดชั่วนั้นเป็นไปเพราะกรรมของตัวที่สร้างเอาไว้ไม่ใช่เรื่องของใจปรารถนาแล้วไปเกิด ในสถานที่ดีกสิที่งามได้ถ้าหากมัมีกรรมสนับสนุนแล้วมันเป็นไปไหนได้ท่านสอนท่านเนะยให้พวกเราได้สะดับรับฟังได้ใส่คิดที่เจรนาอย่างนั้นแต่นั้นพวกเราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์พราพระพุทธศาสนาจึงว่าเป็นผู้ที่มีโชคล่า <c oughs> อันใหญ่หลวงสัตว์อื่นที่มันไมมีอานาจศาสนา เกิดมาไม่เคยไห้ทานรักษาชีวเจเริ่เมตตาภพราะวนานาสวดสวาอาวายพระสว็มนเลยก็มีไม่ว่าตั้งแสัตว์มนุษย์บางจำพวกมันก็มีพวกที่เป็นมิชฉาชีิในเรื่องไซสใจศรัทธาในทางศาสนาแล้วพวกเรานั้นเขาจะเป็นไปอย่างไรโปรกรมที่เขาสร้างไว้แบบไหนเขาก็จะต้องเป็นไปแบบนั้นมีพวกเราท่าน น้าว่าโชคดีเกิดมาเป็นส ม, มาทิติดิดามารดาเคยแน้สอนในทางดีพระเจ้าพระสงฆ์มีก็เน้นสอนให้เราก็ยังเหลื่อมใสกระทำบำําเทนตามทานเราก็เคยให้ศีนเราก็เคยรักษาภาวนาเราก็เคยกระทำบำําเทนเมื่อเราทําตามโอวาทคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า, จาสะสมคุณงามความดีอย่างนี้ ยังจะไม่เด็ไปเกิดในสถานที่ดีจะปีชีงงามแล้วเขาเหล่านั้นที่ในสร่างสมอบรม <c oughs> ทางศีลภาวนาอะไรเขาจะไปอย่างไรมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เมื่อบอกกันใหญ่แต่ที่คิดแบบนี้ที่สอนแบบนี้ก็เพราะ <c oughs> เรื่องจะปรับปรุงใจของเราเพราะจิตใจนั้นในคราวที่ควร พยุงขึ้นมาเสดชูขึ้นมากวต้องพยุงขึ้นมาเสดชูขึ้นมาเมื่อมันลืมเหนือลืมตัวเราจะค่มขี่มันกว่าข่มขี่รักษาจิตของตัวด้วยเศรษฐีด้วยปัญญาคือบางการบางเวลามันตำหนิตัวว่าเชื่อว่าเสียอย่างนั้นอย่างนี้ชาวัดชาว่าจํำสิ่งภาว่าใายท่านก็ไม่มีอะไรดีลิเศษให้ไม่เห็นอะไรจะเป็น ความอาศัศจรรย์นในใจมันอาจจะคิดไปบางทีทานแล้วก็เลยหายเสีนแล้วเราก็เคยรักษาภาวนาเราเคยกระทาบำเช่นเราดีเราเด่นแล้วมันก็อาจคิดไปบางการบางสมัยมันอาจคิดไปอย่างนั้นถ้ามันคิดไปว่าตัวดีตัวเด่นที่เหลือตัญหาในจิตในใจมันตกไปหมดแล้วหรือยังคนที่ ดีิเศษยิ่งกว่าเราหน่อยมีหรือดีมีแต่เราคนเดียวเท่านี้ดีวิเศษกว่เ า, เ, เ, า เ, เขาในโลก ค, ค่มครูให้รู้ตัวไม่ให้ประมาทให้กระทาบ่มเช็นคุณงามความดีเลื่อยไปจนหายใจของตัวบริสุทธิ์ถ้าเราตําหนิตัวว่าเราเชื่อเราเสียออย่างนั้นกพยูมันขึ้นมา เหมือนกันกับเขาทำถ น, นนนะทีไหนมันต่ำเขาก็คูนขึ้นให้มันสูงทีไหนมันสูงเขาก็ขุดลงให้มันต่ำพอรถเรือไปได้ในอย่างนั้นมันก็ะไม่สม่ำเสมอไปยากเรื่องจิตใจของเราเก็เวลาขวมขีดก็ต้องขวมขีด้วลาพะยุมันก็พายุมันนี่คืออุบายที่พวกเราท่าน จะนำมาสอนใจของตัวเหมือมันต่ำก็พยายามมันขึ้นมาเหมือมันสูงก็ขมขีมันลงไปเพื่อจะให้ใจมันสม่ำเสมอเมื่อเราทุกคนที่เจอนาเ ก, อกเกิดแก่เจ็บตายและกรรมเป็นของของตนสม่ำเสมอไปใจที่เคยของติดคิดป้งต่างๆจะไม่ลอยขอบเขตใจคนนั้น จะสุขจะสบายใจคนนั้นจะไม่วุ่นวายกังวลเพราะพิจเญนาตามอัดตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนธรรมะเป็นเครื่องฟอบใจชำระใจให้ใสสะอาดให้สุขให้สงบคนไม่มีธรรมะไม่เดชพิจเญนะเกิดเจเจ็บตายมีแต่เผื่อเพินวุ่นวายไปตามกิเลสกันหา คนนั้นไม่มีวันเวลาที่จะสงบสุขได้นี่จะเจ้าวุ่นวายอยู่เดือยไปแต่นั้นพวกเราท่านทุกคนที่มาฝึกฝนอบรมภาวานาชำระใจตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งก็มันที่นี่ที่เจ้านาชำระดูภายในอยู่สม่ำเสมอไปว่ามันคิดอยู่ปัจจุบันมันเป็นเรื่อง ที่นำความดีด้วยความชั่วมาให้มีสติ <c oughs> รู้สึกการนึกคิดของตัวมีปัญญาแนะสอนตัวเหนื่อคนใดมันสอบสืบที่นี้พิจารณารักษาใจของตัวอย่างนั้นสิ่งที่ชั่วมันชำระสาสางออกไปสิ่งที่ดีก่อเกลกจะทำบำเพ็ญเอาไว้คนนั้นก็จะมีความสุกกายสุกใจ การอธิบายธรรมะเห็นว่าพอต้องควรเสียเวลาเพราะยุติดเพียงแค่ น, น, นี้